ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคพระหันตาสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้นบัดนี้เป็นเวลาที่เราทั้งหลายจะต้องตั้งอกตั้งใจในการสะดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนในทางพุทธศาสนานั่นอย่างหนึ่ง และจะได้ตั้งใจปฏบิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาในทางพุทธศาสนาได้แก่การนั่งสมาธิการนั่งสมาธินี้ให้พาการนั่งขัดสมาธิธทุกทุกคนทั้งหญิงทั้งชายเด็กหนุ่มแก่กลาหัรทำไม่ได้ คือให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายตั้งกายตั้งตัว <c oughs> ให้เที่ยงตรงแสดงความองอาจกล้าหาญในหวัวใจเมื่อเรานั่งเรียบร้อยแล้ว ก็มีหน้าที่บริรัมภาวนาหลับตานึกพุโทโธฟังธรรมถ้าเราฟังธรรมคำสั่งสอนนี้จิตใจเราจดจ่ออยู่ไม่หลงไหลก็เหมือน ก, นกันกับเรานึกพุโทโธหรือนึกบริกรรมใดๆเหมือนกันแต่ว่าจิตใจคนเรานั้นมันไม่เหมือนกัน บางคนฟังธรรมอย่างเดียวใจไม่เองเอาใจตัวเองอยังไม่อยู่หรือนึกภาวนาอย่างเดียวเอาใจเราไม่อยู่จึงมีวิธีหลายอย่างหลายประการบางแห่งท่านก็มีลูกปรกคำลูกมักนักสิ่งเหล่านั้นก็คือว่าจิตใจของคนเราบางคนนั้น สติสตังเลื่อนลอยท่านนึกภาวนาอย่างเดียวไม่รู้มันหายไปไหนท่านก็มีวิธีเอาลูกลูกมะคำลูกมรนับมานั บ, มา น, บมานับไว้เป็นบทสอนจิตใจแต่และบุคคลบุคคลไปงานการนั่งสมาธิภาวนานี้ อันนี้เป็นระเบียบที่ดีหนึ่งเป็นบทเบื้องต้นในการฝึกสมาธิภาวนาแต่จุดมุ่งหมายจริงๆไม่ได้เอาการนั่งนี้เอาจิตใจนั่งคือจิตใจสงบระงับตั้งมั่นจริงๆ เอาจิตใจของแต่ละบุคคลให้เกิดศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาไม่ให้มีความสงสัยอย่างโน่นอย่างนี้ไปคล้องอยู่ในความสงสัยให้ตั้งใจนั่งตั้งใจบริกรรมตั้งใจฟังธรรมแต่เพิ่นก็มีพิธี เอากายนั่งสมาธิบ้างเอากายเดินจมกลมบ้างเพื่อจะต่อโซ่นิวรธรรมนิวรต่างๆในความง่วงเหาเหานอนฟุ้งซ่านลำคาญจะได้หายไปเจตใจจะได้มั่นคงในคุณประพุทธิจ้าในคุณพระธรรมในคุณพระสงฆ์ จิตใจจะได้มีสติมีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นในหัวใจถ้าหากจิตใจเราไม่สงบระ ง, งับไม่ตั้งมั่นภายในในโลกเหล่านี้มันมีอารมณ์สัญญากิเลสตัณหามากมายหลายอย่างที่จะมาทำลายศีลสมาธิปัญญาคุณงามความดีมรรคผลนิพพาน มีอยู่เต็มโลกถ้าเราขาดสติขาดสมาธิขาดปัญญาเมื่อใดเวลาใดสิ่งที่ไม่ดีดนั่นมันก็ล่วไหลเข้ามาโจมตีเข้ามาเอาจนสมาธิภาวนาพังทลายไปตรงนี้นั่นแหละคือว่าถ้าเราไม่ตั้งใจประกอบกระทำไว้ก่อน ในบัดนี้เดี๋ยวนี้นั้นเว ล, ลาเหตุการณ์ข้างหน้ามาถึงเข้าเราจะภาวนาไม่ลงภาวนาไม่ได้ตั้งใจไม่อยู่เพราะว่าอารมณ์เรื่องราวต่างๆที่มันเกิดขึ้นและเราจะต้องประสบพบเห็น อย่างง่ายๆก็เหมือนอย่างว่าวาันนี้เป็นวันมนุษย์คนเรามันมารวมกันเป็นคนหมู่มากเรียกว่ามหาชนคนเป็นจำนวนร้อยจำนวนพันเมื่อเข้าที่อย่างนั้นแล้วถ้าสมาธิภาวนาปัญญาในใจของเรา ทั้งเผลอลุ่มหลงฟุ้งซ่านลำคาญเลยทำอะไรไม่ถูกจัดอะไรไม่ได้ติดขัดไปหมดเพราะว่าเวลาคนหมู่มากเข้ามามันพาให้เสียสติเสียอารมณ์ก็ได้ไม่ใช่มันดีอย่างเดียว หลักในทางปฏิบัติธรรมทันมาจงภาวนารมใจของตนให้สงบตั้งมัน่นจนไม่มีความหวันไหวในเรื่องเราเรื่องเขาภายนอกภายในเรื่องจีเลตันหามานะทิฏฐิต่างๆเมื่อมันเกิดมีขึ้นหรือภัยอันตรายใดๆจะมาถึงแก่ชีวิตของตน ร, ระตาม ถ้าจิตใจภาวนาได้ดีจิตใจไม่หลงลืมไม่ลืมตัวไม่ลืมใจจิตใจก็มั่นคงไม่หลงไหลไปตามคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายความฟุ้งซ่านล้ำค้างของมนุษย์ก็ไปหมดหนึ่งเป็นเรื่องของแต่ละบุคคล แต่ใจิตใจของผู้ปฏิบัติก็ไม่หลงไหลไปกับคนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเหล่านั้นแล้วว่าภาวนาได้อยู่ใจิตใจอยู่ดีสบายมั่นคงหนักแน่นเหมือนแผ่นดินก็สู้ได้ทุกกิ่นฐาน มันขึ้นโยที่สมาธิภาวนาตั้งอกตั้งใจประกอบกระทำในเมื่อเวลามีโอกาสอย่างเวลานี้โอกาสอันดีไม่มีเรื่องราวภายนอกที่จะมาทำให้จิตใจเราจุ่นจานพุ่งสารลำคาดก็เีบทํารีบภาวนาอย่างขณะ น, นี้เดี๋ยวนี้เวลานี้แหละทำให้ได้ให้ถึง ให้มันเกิดมรรคเกิดผลเกิดความสุขสายสบายใจจนในจิตใจของตนของตนมีขั้นมีภูมิขั้นภูมิสาวกในทางพุทธศาสนานั้นไม่ว่าเพศหญิงเพศชายไม่ว่าคาริฮัตและบรรพชิตในสมัยครั้งพุทธกาล เมื่อท่านได้ยินได้ฟังธรรมะคำสอนของพระพุท ธ, ธเจ้าแล้วท่านก็นำมาปฏิบัติความจริงก็คือว่าพระพุท ธ, ธเจ้าพระอริยเจ้าเทศธรรมที่ไหนสาวกเจ้าท้งหลายท่านก็จดจำนำไปประพฤติปฏิบัติตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นไปเลย ภาวําความเสียเพื่อละกิเลสในใจให้หมดไปสิ้นไปโดยเฉพาะคือกิเลสด้านหน้าเมื่อใจเราสงบระงับแล้วจะต้องให้รู้หน้าตาของกิเลสด้านหน้าว่าตัวสักกายาทิฏฐิความยึดกายถือกายความยึดตัวถือตนความยึดชาญยึดตระกูลความยึดโลกยึดนาม ว่าเป็นตัวเราของเราอันนี้แหละเรียกว่าสักกายะจิตมันเห็นว่าเป็นก้อนเป็นหน่วยมันไม่มองเห็นว่าเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วความยึดกายถือกายนั้นมันเป็นความหลงของจิตมายึดก่ากายของเราตัวของเราถ้าเรามาถามดูให้ดีว่ามันเป็นตัวเราของเราจริงไหม ร่างกายสังขาร น, น, นี้มันจะเฉยไม่ว่าอะไรมันเป็นที่จิตใจมันเป็นที่จิตใจผู้รู้ไม่หยุดไม่อยู่ไม่ภาวนาจึงได้เกิดความหลงความเมาไม่เข้าใจเรื่องราวธรรมะดินายสัตว์ศาสนาคำสอนของพระพุทธ เ, เจ้าจิตมันตกอยู่ในอารมณ์วนเวียน ไม่เป็นหนึ่งเป็นดวงเดียวในเมื่อไม่มีเหตุการณ์สิ่งที่จะให้คงส้านภายนอกเราเรียกภาวนาตั้งใจบริกรรมภาวนาหว่พระสวดมนต์ทั้งในส่วนรวมและส่วนตนประกอบกระธรรมให้เกิดให้มีขึ้นเพราะว่าพระพุท ธ, ธเจ้าทรงตรัสไว้แล้วว่ามันสำคัญอยู่ที่ใจ คนเราคนหนึ่งคนหนึ่งจิตใจนี่แหละเป็นใหญ่เป็นสะพานสำเร็จแล้วได้ดวงจิตดวงใจคือใจตั้งมั่นได้ใจสงบได้ใจมีสติไม่ขาดสติใจมีสมาธิไม่สติมาสมาธิไม่ฟุ้งซ่านไปที่อื่นใจมั่นของตั้งใจทำตั้งใจปฏิบัติจริงๆ เมื่อจิตใ จ, ใจนี่แหละมีความสงบตั้งมั่นไม่หวันไหวไม่หลงไหลไปตามกระแสแห่งอารมณ์ชีเลใจิตใจดวงหนึ่งดวงหนึ่งของคนเราก็มีความสงบตั้งมั่นอยู่ในธรรมะปฏิบัติจริงๆเมื่อตั้งได้ จนถึงขั้นละส ก, กายทิฏฐิยุจิกิจฉาความสงสัยต่างๆนานนารือละศีลภะพัฒนาปรามาลูกคำในศีลในวัดเผอว่ายึดมั่นถือมั่นอยู่ตามที่ตนทรรมตนพูดตนคิดไม่รู้จักแก้ไขเมื่อไม่รู้จักแก้ไขเันจยงว่ามันลูกคำลูกคำ ไม่เด็ดเดียวไม่แน่แน่เรียก ว, ว่าลูกคำอยู่ในสีนในวัดทำข้อวัดปฏิบัติอันใดก็ติดอยู่ข้องอยู่ไม่รู้จกปล่อยว่าคำชิงใช้เป็นภาษาว่าลูกคำในศีนในวัดจิตใจนั้นไม่ให้มันข้องมันติดในที่ทางกวงเรียกว่าพุทธโธพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง <c oughs> ที่พึ่งทางใจรวมจิตรวมใจเข้ามาภายในให้ใจตั้งมั่นเป็นที่พึ่งได้จริงๆคําว่าจิตคําว่าใจนั้นไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นนวลเป็นสีสันวันลนะอย่างโน่นอย่างนี้ไม่มีจิตคนเราและสัตว์ทั้งหลายนั้นมันไม่มีโูกล่าง แต่เมื่อมาอาศัยร่างคือร่างของมนุษย์ร่างตัวของคนเราเนี่ยมันก็มายึดเอาล่างอันนี้แหละ ว, ว่าเป็นตัวเราเป็นของเราดวงจิตดวงใจจริงๆมันไม่ใช่ที่เราเห็นเป็นตัวเรานี่ท่านให้ชื่อว่าเป็นธาตุนามธรรมธาตุนามธรรมคือว่ามีอยู่เวทนาจิตที่เสวยอารมณ์ สกุลทุกเฉยๆที่เกิดขึ้นในร่างกายสัญญาจิตจำหมายดวงจิตที่จำหมายว่าสีดําสีแดงอย่างนั้นอย่างเ น, น, นี้นั่นรหละว่าสัญญาสังขารคือจิตปรุงจิตแต่งจิตคิดนึกปรุงแต่งอะไรตอนน่อมีอะไรเลื่อยเกื่อยอยู่ในจิตในใจนั่นแหละว่าสังขารเมื่อปรุงแต่ง จำหมายอะไรก็มีความรู้ตามนั้นให้คือ ว, ว่ญญายิ้มยานนามธรรมทั้งสีนี่แหละเมื่อรวมเข้ามาจริงๆก็ได้แก่จิตใจดวงผู้รู้ฟังธรรมได้ยินอยู่มันมีอยู่ในตัวเราทุกคนท่านให้ทวนกระแสเข้ามารวมมาสงบ อ, อ, อยู่ในดวงจิตที่รู้อยู่เดี๋ยวนี้ขณะนี้ ไม่ให้แชสายลุ่มหลงไปในอดีตอนาคตภายนอกออกไปให้มาเข้าใจว่าจิตใจดวงนี้นั้นไม่ได้อยู่ที่อื่นมีอยู่ในตัวในใจเราทุกคนคนหูเดฟังเสียงรู้เรื่องเมื่อเสียงไม่ลอยไปในอากาศก็ไปเข้าที่โสสี่หูดวงจิตผู้รู้มันอยู่ในนี้ แล้วก็รับรู้รับเห็นนั่นแหละคือดวงจิตไม่ใช่มันเป็นรูปร่างไม่มีไม่มีรูปร่างก็จริงแต่มันมีกำลังแรงท่านเตี๋ยปุปบกมาเหมือนธาตุอากาศหรือธาตุลมอย่างธาตุลมนั้นเวลามันพัดผ่านมาพอามันรวมตัวมากๆเราแรงที่สุด พัดเอาต้นไม้หักโคนไปก็ได้พักพัดเอาบ้านเรือนคนเราให้พังละเมร น, นาก็ได้แต่ว่าถ้าว่าเอาตัวลมมาให้ดูที่เป็นอย่างไงมันไม่มีตัวแต่เมื่อมันรวมตัวของมันเองเราแรงใจมนุษย์คนเหล่านี้ก็คล้ายกันเหมือนกัน ถ้ามันคิดจะทำบาปอยากถ้าทารุนอันใดขึ้นมาแล้วเป็นแรงที่สุดเวลาเกิดศรัทธาภาษาธรรความเชื่อความเลื่อมใสในการบุญการกุศลเกิดขึ้นมันก็มีกำลังแรงไม่มีทอแท้อ่อนแอในหัวใจแต่ถ้าดูในใจจริงๆมันก็ไม่มีตัวตนอย่างละ มีความรู้สว่างอยู่ในกายในจิตนั้นเองแต่มันมีกำลังพาเอาร่างกายตัวนี้ทั้งหมดแหละทำบุญกุศลรักษาสิ้นห้าสิ้นแปสิ้นสิบสอง้อยี่สิบเจ็ดก็จิตใจดวงนี้แหละมันพาทำพารักษาสิ้นพานั่งสมาธิภาวนาก็จิตใจดวงนี้แหละ เมื่อนั่งภาวนาไฟจะเลิกละกิเลสในใจของตนได้ก็จิตใจดวงนี้แหละไม่ได้มาจากที่อื่นมันมีอยู่ในตัวในใจของคนเราแต่ไม่ต้องไปหาเป็นก้อนเป็นหน่วยเป็นสีสันวันนะอย่างนั่นอย่างนี้เหมือนรูปร่างกายของคนเรานั้นไม่มีนี่แตรู้จโย เมื่ออารมณ์เรื่องราวสางเวยใดมากระทบเข้าไปรู้ที่จิตรู้ที่ใจดวงโซโลนั้นเอนี้ดวงใจอีกดวงหนึ่งคือสังขารจิตที่มันปรุงไปแสงไปคิดไปหมายไปตามอารมณ์สัญญาในจิตใจอันนั้นอีกส่วนหนึ่งติดต่อออกไปภายนอกอันนั้นพันให้ชื่อว่าสังขารสังขารละมานกิเลสมาอย่าได้ตามมันไป ให้มารวมมาส ง, งบอยู่ภายในตัวภายในใจนี้ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกหรือว่าพุทโธพุทโธทุกลมหายใจเข้าออกอยู่ที่นี้ไม่ต้องไปหาที่อื่นเพื่อจะได้รวมจิตรวมใจเข้ามาตั้งภายในตรงดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ภายในใจภายในจิตของตนทุกคน แล้วจุดใจดวงนี้จะมีความสงบระงับตั้งมั่นในธรรมปฏิบัติไม่หลงไหลไปตามอารมณ์กิเลที่มันมากระทบกระเทือนเพราะจิตมันรู้เท่าทันเมื่อสงบตั้งมั่นก็รู้เท่าทันถ้าเห็นโลกก็ไม่หลงในโลกโลกมันก็ก้อนธาตุร่างกายตัวตนของเรานั่นเอง แม้คนอื่นมันก็เหมือนกันธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมมันเหมือนกันจิตไม่ควรไปลุ่มหลงโม่เมามารวมมาสงบตั้งมั่นอยู่ในจิตใจดวงผู้รู้อยู่ในตัวในใจนี้ให้จิตใจดวงนี้มีความสงบตั้งมั่นลงไป จนเห็นว่าความสงบสงับในจิตใจของเรานี่แหละเป็นความสุขเป็นความเย็นเป็นความสบายในหลังใต้ถ้ำผาปล่องท่านจึงมีเขียนไว้ว่านัตถสันติพลังสุกขงังความสุขอื่นเสมอโดยความสงบไม่มีใจคนเรานี่ถ้าสงบแล้วมีความสุข ถ้าไม่สงบจิตมันดิ้นล่นวุ่นวายกระตักกระสายอยู่ไม่นิ่งแนวเป็นรวงเดียวมีความทุกข์มากเรื่องไม่น่าทุกข์มันก็ทุกข์เรื่องไม่น่าร้อนมันก็ร้อนเรื่องไม่น่าพูดไม่ลากคุยมันก็พูดไปคุยไปนี่คือว่าจิตไม่สงบเมื่อจิตสงบแล้วอะไรอะไรมันก็สงบไปหมด เพราะว่าจิตมันมีดวงเดียวคิดใจจริงๆมันมีดวงเดียวได้แก่คิดใจดวงผู้รู้อยู่ในกายในจิตของเราในเวลาปัจจุบันนี้เท่านั้นดวงอื่นมันเป็นกิริยาอาการของจิตใจไม่แน่นอนแต่ว่าดวงจิต ด, ดวงใจผู้รู้ผู้ฟังได้ยินอยู่ อันมีอยู่ในตัวในใจของเราดวงนี้มันอยู่ที่นี้ตั้งแต่ไปปฏิสนธิวิญญาณยึดเอาธาตุสี่ขันห้าร่างกายสังขารขาสองแขนสองศีรษะหนึ่งหนังหุ้มอยู่เป็นที่สุดรอดนี้เข้าไปยึดเอาถือเอาสร้างจโอยู่ในคันมารดาไม่ใช่ว่าทลอดออกมาแล้วยิ่งเข้ามาอยู่เมือนเข้าไปนอนอยู่ในท้องแม่ เวลาจิตยินยาณอันนี้เข้าไปนอนในท้องแม่แล้วมันก็เป็นไปตามจิตใจตามบุญบาปของแต่และบุคคลถ้าดวงจิตดวงยินยานของผู้ใดเป็นคนทำบาปยาท่าทาลุนในพบก่อนหนหลังพอมาเกิดพบนี้ชาตินี้ก็แสดงวิกมวิการให้เราท่านทางหลายเห็นปรากฏการอยู่ อย่างว่าบางคนตั้งจะเกิดมาตาบอดมาแต่กำเนิดเกิดมาก็มีหูหนวกหูตึงมาแต่กำเนิดเกิดมาก็มี <c oughs> ปากแหวงจมูกแหวงอะไรต่อมีอะไรมีหมดทุกอย่างแขนด้วนมือด้วนขาด้วน นอกนั้นก็ยังเป็นใบเป็นบ้าเสียจริตผิดมนุษย์ร่างกายดีเท่าไหรถ้าใจเป็นบ้าบ้าบอบอแล้วก็เป็นอันว่าเสียหมดในตัวคนคนนั้นเพราะว่าจิตใจมันเป็นใหญ่เป็นประฐานสำเร็จแล้วใน ด, ดวงจิตดวงใจถ้าใจไม่ดีแล้วก็คอยให้อะไรๆ ไ, ไม่ดีทางนั้น การฝึกฝนอบรมสมาธิภาวนาท่านให้รวมจิตรวมใจสงบสั่งับคำนดพุทธโธตั้งใจฟังธรรมให้ดีเพื่อให้จิตใจนั้นแหละเป็นจิตใจที่ดีให้ใจมีเมตตามีความกรุณาสงสารแก่มนุษย์แกะสัตว์ทั้งหลาย ใจโมโหโทโสมันเกิดมีขึ้นก็ให้รีบดับดับแล้วก็ให้ดับให้หมดอย่าให้มันมาเกิดอีกความโลภโลภะในจิตของมนุษย์นั้นไม่มีที่จบที่สิ้นเมืองพอไม่มีในใจที่มีโลภะจิต มีโยทางเดียวก็มันนั่งปฏิบัติบูชาภาวนาพุทโธรวมจิตรวมใจของตนของตนให้สงบตั้งมัน่นจนมีความสงบสงบเย็นสบายไม่ว่านั่งที่นี้นั่งที่ไหนไปที่ไหนก็าตามนั่งภาวนาทำใจให้สงบตั้งมั่นได้ทุกสถานที่ แล้วก็ทาโยเสมอเสมอทั้งกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกเิริยาบททั้งเถอะลุ่มหลงแล้วก็แล้วไปตั้งจิตตั้งใจขึ้นมาใหม่นึกใหม่จเจริญใหม่ภาวนาพุโทโธใหม่ให้นี่ความตั้งใจเป็นของตัวเองอยู่ตลอดเวลาไม่ใชว่าเพียงแต่จะให้ผู้อื่นภาวนาแทนเราไม่ได้ การภาวนาในจิตใจของผู้ปฏิบัตินั้นมันเป็นสิ่งที่ตัวเองจะต้องประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นในจิตใจของเราทีเดียวท่านเจยตปังมาเหมือนคนเราบริโภคอาหารเราจะให้คนอื่นเขาบริโภคแทนเราเราไม่บริโภคก็เดือดร้อนวุ่นวายมันหิว ถ้าเราบอกคนอื่นให้บริโภคตัวเราก็บริโภคให้อิ่น้ำสำราดความหิวก็หายไปการทำบุญให้ทานเราก็ต้องประกอบให้เกิดให้มีขึ้นในใจของเราทุกคนการรักษาสินห้าประการก็ให้นึกให้เจริญให้เห็นว่ามันมีอะไรสีขอ้อท่านจึงว่าสินห้า ท่านให้เล่นจากอะไรก็คือว่าเว่นจากค่าสัตรักทรัพยรัพย์ิในกามกล่าวโมูสาว่าซึ่งจริงชุมรามลาเมลายเท่านี้แหละแต่ว่าถ้าไม่ตั้งอกตั้งใจจริงๆก็รักษาไม่รอบไม่ได้เพราะว่าข้อละเว้นเหล่านี้ยึดใจคนเรามันยังชอบคอพอใจอยู่ในเรื่องที่เป็นทุกข์เป็นโทษนะ จึงจำเป็นต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดทัดทธาความเชื่อความเลื่อมใสในการรักษาสิญห้าของตนจนรักษาได้บริสุทธิ์ของใสสะาดก็เกิดประโยชน์เกิดผลให้แก่บุคคลผู้ตั้งอกตั้งใจรักษาสิญหานั่นเมื่อมีสินหประจำอยู่ในกายวาจาจิตของบุคคลผู้ได บุคคลผู้นั้นอยาปฏิบัติภาวนาสะดับรับฟังพระธรรมคำสั่งสอนก็เข้าอกเข้าใจได้ง่ายไม่ยากแต่ถ้าคนเราไม่รักษาศูนห้าเพียงแต่ว่าชอบดื่มสุราเมลัยอย่างนี้เป็นต้นพอไปดื่มไปบริโภคเขาแล้วมันตื้นไปหมดลยมันเป็นอย่างนั้น เห็นั้นพระพุทธเจ้าท่านเกงให้ตั้งจิตเจตนาลงไปจะทําอะไรก็ให้มีสัจจะมีอธิษฐานไว้ในใจของตัวเองให้ได้เมื่อมันยังไม่สดวิสัยไม่เหลียววิสัยเราจะตั้งใจรักษาตั้งใจปฏิบัติตั้งใจภาวนาอยู่พุโทโธในใจของเราจะไม่ให้หลงไม่ให้ืม จะนั่งก็าตามจะยืนก็าตามจะเดินไปมาที่ไหนก็าตามจะพูดจปาปลาใสในที่ใดๆก็าตามพุทธโธพระพุท ธ, ธเจ้าต้องมีหลักอยู่ในใจของผู้ปฏิบัตินั้นไม่ให้หลงไม่ให้ลืมเหมือนกับว่าพระพุท ธ, ธเจ้าสเสด็จไปด้วยเรานั่งที่ไหนเหมือนพระพุท ธ, ธเจ้านั่งสั่งสอนบอกลังสั่งสอนเราอยู่ตลอดเวลา จ, จิตใจของบุคคลผู้ละเลิกโยนัประพทธิระมประสงย่อมไม่ว่าเวริตกวิจานฟุ้งซ่านลำคาญไม่มีเป็น จ, จิตใจอันแน่วแน่มั่นคงรวมจิตลมใจของตนได้ทุกขณะทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าออกเยืนก็ภาวนาพุทธโธได้เดินก็ภาวนาพุทธโธได้ ไปลดไปลาก็ภาวนาพุทโธในใจของตนได้ไม่ว่ากลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกเอริยาหมดก็ภาวนาในใจได้ลำเลกอยู่ในจิตในใจของตนเรกว่าเป็นผู้ไม่ประมาทผู้ประมาทคือว่าเลิมเลอิอกเผลอเลอือไม่ตั้งอกตั้งใจ ปลอยให้กีแลกความโกรธมันมาทับถมดวงจิตดวงใจรดเหมือนกวาแม่น้ำลำคลองมันไหลทับถมไปอย่างนั้นเอาคนตายจมน้ำกิเลสราคะโทสะโมหะอมันดองอยู่ในสันดานมีอยู่ในตัวคนเรามีอยู่ที่กายวาจาจิตนี้มันเหมือนกวาน้ำท่วมป่ามาเลย ถ้าเราภาวนาอยู่คุณพระพุทธเจ้าอยู่ในใจพุทธโธพ ร, ระพุทธเจ้าเราเป็นที่ซึ่งเมื่อเหตุการณ์ภายนอกกระทบอะไรต่อมิอะไรจิตใจมันก่มมั่นคงหนักแน่นอยู่ในธรรมะปฏิบัติมีสติอยู่ภายในมีสมาธิอยู่ภายในใจิตใจมีพญาปัญญามีความรู้ความฉลาดอยู่ภายในใจ เป็นดวงจิตดวงใจที่มั่นคงหนักแน่นในธรรมปฏิบัติมีสติเต็มที่ให้ชื่อว่าสติปัฏฐานเป็นมหาสติคือว่าสติใหญ่เป็นมหาสติคือว่าสติใหญ่ม ห, หญมหาสติปัฏฐานสูตรละลึกพิจารณาอยู่ในกายเวทนาในจิตในธรรม ไม่ล่วไหลไปในที่ต่างๆสงบตั้งมั่นโยภายในดวงจิต ด, ดวงใจจริง ๆ, จงๆเจตใจของผู้นานต้องทำอยู่สม่ำเสมอตลอดเวลาต้องเพียรพยายามไม่ใช่ว่าเลิกล้มเอาง่ายๆแล้วก็มักจะไปคิดเอาว่าทำอย่างไรใจของเราจึงจะสงบละงับ จึงจะตั้งมันเป็นสมาธิภาวนาแล้วก็อยากจะทําเอาแบบให้มันลัดเอา ม, มันง่ายอย่างนี้มันไม่ได้ต้องทําต้องประกอบอยู่ทุกวันเวลาเมื่อเราได้ตั้งออกตั้งใจปฏิบัติบูชานั่งสมาธิภาวนาแล้วอย่างนี้ไม่ว่าเราจะ อยู่ที่ไหนไปที่ไหนก็ตามเราต้องทำให้ได้ทุกคืนทุกวันเท่าที่โอกาสจะอํานวยให้ทำให้เป็นข้อวัดปฏิบัติประจากายวาจาจิตของเราอยู่ทุกวันคืนเดือนปีเป็นผู้ไม่ประมาทมีสติอยู่ทุกลมหายใจเข้ามีสติอยู่ทุกลมหายใจออก และมองเห็นภัยอันตรายในชีวิตของตนว่ามันอาจจะเกิดขึ้นมาได้ทุกลมหายใจเข้าไปทุกลมหายใจออกมาเพราะว่าในโลกเหล่านี้พระพุทธเจ้าทรงสัต์ชี้แจงสแสดงว่าไม่มีอะไรที่จะเป็นของเที่ยงแท้แน่นอนยัง่งยืนเป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายย่อมมีความแก่ความชราเจ็บไข้ได้ป่วยผลที่สุด จะต้องถึงซึ่งความตายอะไรอะไรในโลกนี้ทันมาไม่เที่ยงแต่ความตายนั้นเป็นของเที่ยงทุกคนจะต้องไปถึงซึ่งความตายเมื่อถึงความตายนั้นไม่ใช่เราจะคิดเอาว่าให้ได้เท่านั้นเท่านี้บางคนตกอยู่ในปฐมมาวัยตายไปก็มีบางคนตกอยู่ในมัธติมาวัยปานกลางคนตายไปก็มี บางคนก็เลยกลางคนไปตายก็มีบางคนก็ถึงวัยแก่วัยชราจนหลงหลงลืมลืมจึงค่อยตายก็มีเอาแน่ไม่ได้เมื่อเอาแน่ไม่ได้แล้วทางที่แน่ที่สุดก็คือว่าภาวนาให้ได้ทุกลมหายใจเราจะมีสติในใจของเราทุกเวลา เราจะตั้งใจของเราให้มั่นคงหนักแน่นอยู่ภายในใจให้ได้ทุกเวลาไม่ว่าร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายก็าตามสบายอยู่ก็ยิ่งเลือดภาวนาเมื่อความไม่สบายเกิดมีขึ้นไม่อย่างใดอย่างหนึน่งถ้าจิตใจของผู้นั้นไม่ตั้งใจปฏิบัติภาวนาจริงจังแล้ว ถ้าอยู่ดีสบายอยู่ก็ไม่เป็นไรถ้าหากว่าเกิดภัยที่บาด ย, ย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาแล้วเอาล่ะลุ่มหลงมัวเมา <c oughs> ภาวนาไม่ได้ภาวนาไม่ลงนั่นก็คือว่าความตั้งใจยังไม่เต็มที่เราต้องตั้งใจตั้งแต่เวลานี้เป็นต้นไป รวมจิตใจให้สงบออตั้งมั่นเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเป็นข้อแรกมันจะคิดไปใกล้ไกลในนอกประการใดก็าตามยาได้หลงไปตามอาการนั่นให้เตือนจิตใจดวงนี้ว่ามีดวงจิตดวงใจดวงหนึ่งที่มีความรู้อยู่ในตัวในกายในจิตของเราทุกๆคน แล้วมันก็รู้เห็นสิ่งต่างๆทั้งภายนอกและภายในอยู่ตลอดเวลากายสบายก็รู้กายไม่สบายก็รู้ใจไม่สบายก็รู้ใจสบายก็รู้ดวงจิตดวงใจผู้รู้อยู่ภายในนี้มีความรู้สึกได้ตลอดเวลาอย่างนี้ แห่นั้นการปฏิบัติบูชาในทางพุทธศาสนานี่จิตใจของเราท่านทั้งหลายย่าได้มีความทอแท่ออนแอในหัวใจท่านเตือนไว้ว่าภาวนาบทใดขอด้อใดก็ตามให้มันได้ทุกลมหายใจเข้าออกเมื่อได้ทุกลมหายใจเข้าออกนั่นท่านว่าเป็นผู้ไม่ประมาท อาจสามารถจะได้บรรลุมรผลเห็นแจ้งพระนิพพานในอนาคตการพลาดนี้ก็ได้เพราะว่าโลกเหล่านี้อะไรอะไรมันไม่เที่ยงอะไรอะไรมันเป็นทุกข์อะไรอะไรทั้งหมดมันไม่ใช่ตัวตนของเราเราต้องเรียกทํเรียกปฏิบัติไม่ต้องไปรอคนโน้นรอคนนี้ไม่ต้องว่า ได้อย่างนั่นก่อนดีอย่างนี้ก่อนเกีงจะภาวนาไม่ได้ดเพราะว่าเมื่อความตายความเจ็บมันจะบังเกิดมีขึ้นมันไม่ได้ร่างรอว่าอย่างไรได้เวลาเจ็บมันก็เจ็บได้เวลาแก่มันก็แก่ได้เวลาตายมันก็ตายได้ทุกคนเราจะไปตั้มไปทาว่าไม่ให้ตายรูปร่างกายของเราไม่ให้ตายไม่ได้ เมื่อผู้มานึกมาเจริญได้อย่างนี้การปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตในใจของผู้ปฏิบัตินั้นก็จะไม่ทอแทอ่อนแอในหัวใจตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาจนได้บรรลุมรรคผลเห็นแจ้งพระนิพพานเหมือนสมัยครั้งพุทธกาล น, น่นแหละ จึงจะได้ชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบประกอบในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลฉะนั้นเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาในจิตในใจของเราทุกคนให้ได้ตลอดไป ดังสแสดงมาก็สมควรด้วยจาละเวลาเอวังก็มีด้วยประกาศนีย์ยาถาวะลิวหาปุลาปาริอูเรนติสะกะลังเอวเมวะอิโตทินัางเปตานางอุปกะปติ อิปสิตังปฏิตังตุมหังจิตระเมวัสมิตตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนาลาโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพิตโยวิวัชันตุสัพพโลโควิวนัสตุมาเตปวัตตวันตรายโย สุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนาสิริสนิจังบุต ธ, ธาปจายนโนจตาโรโธรรมาวทันติอายุวันโอสุขังพาลังนาบัดนี้ได้เวลาฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนา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 คนไหนมีความใจร้อนเมื่อมาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนานี่ก็ให้ทำใจของตนให้เป็นคนใจเย็นคนใดเป็นคนที่โกรธให้คนโน้นคนนี้ชอบเพ่งเล็งโทษคนอื่นไม่เพ่งเล็งโทษตัวเอง เมื่อถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาก็ให้เพ่งให้เห็นทุกทอดของตัวเองที่การมาเวียนว่ายตายเกิดในโรคนี้ก็เพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติบูบชานั่งสมาธิภาวนามาจึงได้มาเกิดในกองทุกข์ก้อนทุกขอ์กขอันนี้ จิตใจคนไหนเป็นจิตใจโลภลาคะตัณหาเมื่อนั่งสมาธิภาวนาก็ทำใจของตนให้หมดจดจากโลภตัณหากิเลจให้จิตใจบริสุทธิ์ของใสเห็นทุกข์เห็นโทษ ในกิเลสราคะในกิเลสโทสะโมหะอันมีโยในจิตใจของเรานี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจใจัยให้มาเกิดเมื่อเกิดมาแล้วก็ให้แก่ให้ชะลาบังคับเรื่อยไปเมื่อเวลาโยในวัยแก่ชะลาเลื่อยไปนี่แหละ ก็บังคับให้มีความเจ็บปวดทุกขเวทนาโรคภัยไข้เจ็บบังเกิดมีขึ้นเป็นไปได้ทุกอย่างทุกแระ่างสุดแท่แต่ว่าทมเป็นของของต้นใครทำดีก็ได้รับผลดีได้รับความสุขใครทำชั่วก็ได้รับความทุกข์ความสุขและทุกนี้ไม่มีใครทำให้ มันเป็นเรื่องตัวเองทาเอาเองไม่ใช่พ่อแม่โภยาตาทั่วทาให้คนเราคนหนึ่งคนหนึ่งตัวเองนั่นแหละทำบุญไว้จึงได้รับผลของบุญตัวเองทำบาปไว้กนได้รับผลบาปบุญนั้นทันว่าการมีชีวิตอยู่ไม่ตาย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 เมื่อบุญกุศลมาถึงตัวเราเข้าทุกคนแล้วก็ให้ตั้งใจเป็นบุญให้ภาวนาในใจให้เป็นบุญนึกถึงคนประพฤติเจ้าคณพระธรรมคุณพระสงบุญกุศลที่เราจะมาถึงคนประพุทธประธรรมประสงนึกไหวพระสวดมนต์ ถึงคนภาพุตในเจ้าได้นี่นับว่าเป็นบญอันสำคัญเพราะชีวิตของคนเหานั้นเอาความแน่นอนไม่ได้คิดดให้ดีคนเราที่เกิดมานี้บางคนอายุสั้นพลันตายก็มีมากบางคนนั้นอายุ ไม่ถึงสิบปีก็ตายไปแล้วบางคนไม่ถึงยี่สิบปีก็ตายไปแล้วบางคนไม่ถึงสามสิบปีก็ตายไปแล้วบางคนไม่ถึงสี่สิบปีก็ตายไปแล้วบางคนไม่ถึงห้าสิบปีก็ตายไปเสียก่อนอันความตายนั้น มันเป็นกฎของกรรมที่ตนเองทำมาผู้ใดอายุสั้นพลันตายท่านว่าเป็นคนชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่มีเมตตาแก่คนแก่สัตว์เล่ว่าเป็นใจเหี้ยมโหดฆ่าสัตว์ตัดชีวิต ทำชีวิตของสัตว์ทำชีวิตของคนให้แตกดับตายไปผลอันนั้นก็ให้เกิดมาเป็นคนมีอายุสั้นพลันตายเราต้องตั้งจิตตั้งใจให้เป็นบุญภาวนาเนี่แหละท่านว่าภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนา ภาวนาไม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนานั่นไม่ลองไปแลกเกียนชื่อหาวัตถุเข้าของอะไรเมื่อมาถึงเวลาภาวนาก็รวมจิตรวมใจสงบจิตสงบใจของตนตั้งลงไปให้มั่นคงให้นักแน่นในจิตในใจไว้เราเนกพุทโธเป็นอารมณ์ คำว่าพุโทโธก็เป็นอุบายอันหนึง่งให้เราได้ระลึกถึงพระพุท ธ, ธเจ้าผู้บำเพ็ญบารมีเพื่อโพธิญาณเพื่อตรัสเป็นพระพุท ธ, ธเจ้านั่นบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาบารมีทั้งหลายมานับเป็นอสงไขัยสงไขยนับว่าเป็นเวลายาวนาน ฟ้าจะได้บุญกุศลมากมายจนถึงขั้นได้มาตรัสลูกเป็นพระพุทธเจ้าส่วนเราทั้งหลาย <c oughs> ไม่ได้บำเพ็ญถึงขนาดนั้นบำเพ็ญ เ, เคียงเพื่อให้ถึงซึ่งนิพพานอันเป็นสถานที่พ้นทุกข์พ้นร้อน นิพพานังปรมังสุขังให้ถึงนิพพานอันเป็นุขสุดยอดก็พอแล้วอันนี้เรียก ว, ว่าถ้าว่ามากก็มากแต่ว่ามากไม่มากก็เรียก ว, ว่าไม่มากคือพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญมากกว่าพวกเราทั้งหลายพุทโธคานี้เราต้องระลึก ถ, ถึงว่าทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงบำเพ็ญได้ ทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงมีความภาคความเทียนทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงมีความกดความทนไม่ีความตั้งอกตั้งใจบำเห็นได้เราจะมนันน่งบริกรรมภาวนาหลัเลึกถึงคุนพระพุทธเจ้าเอาใจของเราให้สงบเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเท่านี้ทำไมจึงจะทำไม่ได้ ถ้าใจเรามีศรัทธาเรื่มใสในคุณพระพุทธเจ้าเรื่มใสในคุณพระธรรมประสงลย่อนทำได้ปฏิบัติได้เพราะการปฏิบัตินั้นคือว่าเอาตัวเอากายนี่แหละมาปฏิบัติโดยที่เรานั่งสมาธิภาวนาเอาอะไรนั่งเอาตัวเอากายนานั่ง เมื่อกายนั่งแล้วสมาธิมันไ่เฉพาะแต่กายใจสำคัญใจให้เนความสงบให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระให้คุณพระมาอยู่ในใจให้จิตใจดวงกุโรของเรานั่นแหละเราลึกถึงคุณพระพระพุทธเจ้าท่านก็ให้หลวงเข้ามาว่าโยที่ใจนี้ไม่ได้โยที่อื่น พระธรรมพระอีในสัตว์ศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงตัดโอดไว้ทั้งโมนทั้งแปดหมื่นสี่พันพรรมกันท่านก็สอนว่าให้น้อมนำเข้ามาว่าอยู่ที่ใจนี้ไม่ใช่อยู่ที่อื่นพระอริยสงสาวกที่ได้สำเร็จมรรคผลถึงแล้วซึ่งนิพพาน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 ได้เห็นได้ว่าในหลักพระธรรมท่านให้เอาใจให้มารู้ติดใจให้มารวมติดใจให้มาอยู่ติดใจให้มาละ ก, กิเลสในใจในใจของคนเรานี่แหละกิเลสนั้นท่านว่าก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนก็กิเลสราคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะ อันเราทุกคนได้สัมผัสทางตาทางหูทางจมกูกทางเลี้ยงทางกายทางใจอยู่ทุกวีทุกวันทุกวันมันไม่ใช่อยู่ที่อื่นมันมีอยู่ที่ตัวนี้การภาวนาก็คือรวมจิตรวมใจเข้ามาให้สงบตั้งมัน่นโยในกายวาจาจิตของเราไม่ให้ไปโยที่อื่น เมื่อน้อมนำเข้ามาว่าอยู่ที่นี้ดวงจิตผู้รูกมีความรู้ความเห็นได้ยินได้ฟังอยู่ขณะนี้เดี๋ยวนี้ก็ให้รวมกําลังตั้งมั่นลงไปในขณะนี้เวลานี้แม้ในจิตของเรานั้นจะมีความขุ่นข้องหมองใจด้วยอารมณ์ใดๆก็ตาม เมื่อมาถึงเวลาทำจิตทำใจของเราให้สงบระงับต้องละวางปล่อยทิ้งคนอื่นผู้อื่นว่าเขาอิจฉาพยาบาทาฆ่าจองเวรเราอารมอย่างนี้ก็ต้องละทิ้งไม่ต้องไปเอาเอามาเป็นอารมเอาจิตใจของเราดวงเดียวใจคนอื่น ความสังละเสริญคนอื่นความนินทาคนอื่นไม่ต้องเก็บเข้ามามนุษย์คนเราที่เกิดมาในโลกไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกทำดีเขาก็นินทาว่าชั่วได้ทํทำชั่วเขาก็นินทาว่าดีได้สัง่งเสริญเยนโยว่าดีได้อันความดี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 ไม่อยากได้ยินอะไรทุกอย่างมันยุ่งไปหมดนะเพื่อว่าตัวกิเลสมันเป็นอย่างนั้นจึงให้พากันทำจิตทำใจให้วางเฉยพุทโธอยู่ในใจนี้ธรรมโมงโกพระองค์สอนว่าโยภายในนี้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 งั้นะใครไปหาไฟมันกดร้อนโลกสมมตินี้คือว่าเป็นไฟราคะเป็นไฟ โ, โทสะเป็นไฟโมหะลุกเป็นเปลวปรองอยในหัวใจมนุษย์คนเราถ้าดับถ้าภาวนารวมจิตรวมใจพุทโธอยู่ในจิตในใจให้มันลึกซึ้งโยภายใน ไม่ออกมายึดหน้าถือตายึดตัวถือตอนแล่จิตใจก็เย็นสบายพุทธโธโยภายในพุทโธพุทธะถ้าโยภายในใจของเราจริงๆแน่นั่งก็สบายยืนก็สบายเดินไปมาที่ไหนก็สบายเพราะพระพุทธเจ้าตาัว่าจิตใจพุทธะพุทธโธนั้นมันมีอยู่ในตัวคนเราทุกคน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 ถ้าโยนนอกใจก็เปียกผูปมาเหมือนว่าฟ้าลงฝนตกคนไม่มีบ้านเรือนเป็นที่อยู่ก็ย่อมเปียกผลเมื่อเปียกผลแล้วมันก็ย่อมหนาวย่อมสะท่านเป็นไปในถิ่งที่ไม่ดีได้ทุกอย่างนั่นแหละคือว่าคนใจไม่สงบไม่ภาวนาไม่มีสิ่งนึกน้อมเตือนใจไว้ ใจมันก็วิ่งไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโผทะพระธรรมลมภายนอกย่อมไม่มีที่สิ้นสุดอะไรอะไรก็ตามให้เรารวมจิตรวมใจให้มาสงบตั้งมั่นโยภายในความทุกข์ความสุขอันใดอันเป็นวิสัยของโลกมันก็มีอยู่ในโลกนี้ ถ้าใจเรามีความมุ่งมัน่นปั้นใจอยู่ในสมาธิภาวานานั่งก็ภาวานา ย, ยืนก็ภาวานาเดินไปมาที่ไหนก็ภาวานาอยู่ตาหูจมูกหมดเลสกระทบลกเสียงจินลดโภทะพระธรรมล้มก็ให้เจ็ดใจสงบตั้งมั่งที่เจรณาถึงหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยง คนสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอมันเต็มไปด้วยทุกข์มันมีแต่เรื่องทุกข์ไอเรื่องแต่สกจิตสุกใจนั้นมันยากอยู่เว้นเสียแต่ผู้ใดมาเห็นทุกข์เห็นโทษในโลกนี้แล้วก็มาทําใจให้สงบตั้งมัน่น ไม่มีตัวอุปทานออกไปยึดหน้าถือตายึดตัวยึดตนยึดชาติยึดตระกูลยึดตัวกูของกูปล่อยวางได้หมดออกไปแล้วย็ดใจก็เย็นสบายอยที่ไหนก็ใจสบายคือว่าโยในภาวนาใจมันภาวนานึกน้อมเห็นอยู่ในใจ เป็นจิตใจไม่มีโลภโทสะโมหะนั่นแหละคันว่าเป็นจิตใจที่เย็นสบายเมื่อมันยังไม่ถึงขัน้นใดขั้นหนึ่งก็ตามพุโทโธในใจของเราให้นึกให้น้อมไว้เวลาอารมณ์สัญญาจิเลสตันหากระทบกระเทือนออกไปกับคนอื่นเราก็ให้ละงับดับไว้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 มันเป็นไปหมดทุกอย่างตาหูจมูกเล่นกายใจที่เรามีสมบัตินี้มาก็เพราะบุญกุศลเก่าเราทามาจึงได้ร่างกายดีใจดี จ, จิตใจสำคัญคนเราถ้าใจเสียแล้วเสียหมดทุกอย่างเขาเรียกว่าคนใบ้คนบ้าเสียจริตติดมนต์หรือคือว่าคนใจเสีย ใจเสียคือมันใจเสียแล้วมันร้อนไหมเป็นไฟมอดละลกอยู่ในตัวในใจใครทำอะไรไม่ดีไม่ร้ายใจมันก็เก็ดมาเป็นอารมณ์นั่นะคือคนใจเสียคนใจเสียใจไม่ภาวนาคนภาวนาแล้วไปไหนมาไหนกับพุทโธพ ร, ระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งทำโมพระทำเป็นที่พึ่ง สังโฆพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมีที่พึ่งภายในอยู่ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกคือภาวนาอยู่ทุกลมหายใจนั่นแหละนี่แหละเราท่านทั้งหลาย การปฏิบัติภาวนานั้นท่านไม่ให้เลือกการเลือกเวลาเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้าการกำหนดจดจา น, นำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสบความเจริญเ ย, ยวังก็มีด้วยประการเจริยสัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภาวะ